ท่านมันหลายถามอยู่เสมอว่าทำอย่างไรจึงจะรับการฝุ่งสร้างของจิตได้รู้สึกว่าเป็นเรื่องหนักใจอยู่มากบางรายมีื่องเสื้อไปอ่านแล้วมีครืเสวม่ีเคื่อนทลกเสียงฟังก็ยังบอกว่าไม่สา ม, มารถจะปฏิบัติได้อย่างนี้ผมก็จนใจเหมือนกัน นี้เพราะอะไรเพื่ว่าตนเองก็ไม่สามารถจะทําใครจะให้มีจิตเป็นสมาธิได้หีืท่านลินไม่สามารถจะทรงจิตเป็นสมาธิได้ถ้าเราจะพูดกันตามในหลักสูตรของพระพุทธศาสนาก็แสดงว่าท่านพวกนี้เป็นอภัพพระบุคคลเป็นบุคคลที่หาความเจริญไม่ได้อย่างหนึง่งเป็นโลคบรุรุษ เป็นบุคคลพวกเปล่าอย่างหนึง่งแค่นี้ก็ อ, อะไรจะว่าการเจริญธรรมฐานผมก็ไม่เคยศึกษากับครูบาอาจารย์ไหนเพื่อนนั่งสอนอยู่ทุกวันเป็นแระเดีย ว, ว่าเคยรับการศึกษามาคราวหนึ่งเล็ก ๆ, ๆน้อยน้อยเขพยายามทาให้ครบถพนถ้าเราได้สิ่งนั้นไปยังในครบถพืนก็ไม่ไปหาครูบาอาจารย์ หรือถ้าบางเอิญสิ่งที่ได้มามันเกิดปฏิกิริยาในเวลาปฏิบัติเราก็ไปสอบถามท่านนี่เรื่องธรรมดาแต่ว่าสําหรับที่วัดเรานี่ศึกษากันมา ก, กวันหลายเวลาแล้วก็ยอมปรายกฎว่ามีบุคคลผู้บกต่องในจริยาแม้แต่ระเบียบที่อ่านฟังกันทุกวันก็สักแต่ว่าฟัง คนเบ่เพศนไม่หาทางไปสวรรค์ไม่ได้ทางที่ไปได้มีทางเดียวคือไบยภูมิเพราะอะไรเพราเป็นวิสัยขอะไบยภูมิเท่านั้นที่จะึเป็นเช่นนั้นมีการตังแต่กับฐานทุกวันทําไมจึงมีจิตไม่จเจริญเมื่อเราไม่ดีก็เพราะว่าไม่สนใจในความดี มีการเจรเิญพระกรรมาฐานในได้าการได้รับอารมณ์ก็จริงก็ฟังเราอยู่ทุกวันไม่น่าจะต้องมาเตือนกันที่ต้องเตืงกันก็รู้สึกว่าพขาจะมีพกเอาความเลวไว้มากไม่จะพบความดีเลยมากเขาไม่เตือกันบ่อยการเจรเิญพระกรมาฐานเขาฟังแล้วก็นําไปประพฤติปฏิบัติ นี่สำหรับวานศุรนี้ได้พูดถึงการรวบรวมกำลังใจแต่ละประการโฟสัน้วยการกำหนดรุ่นลมให้ใจเท้าออกและคำภาวนาวพุทุโธนี่เป็นวิธีการที่เขาปฏิบัติกันตามปกติแล้วก็ทำกันมาได้ทังสมาบัรแปดก็ได้วิธีนี้เท่านั้นที่ทำกันมา แล้วมีอีกวิธีหนึ่งถ้าเป็ญยาซามลงไปก็ใช้ลมก่อให้มากขึ้นนั่นก็คือหารูปธรรมส่วนหนึ่งพวงหรือหาก้อนเกลือก้อนหินเล็กๆก็ได้เอามาใส่ไว้ในถ้วยถ้วยหนึ่งวางไว้ข้างหน้าถ้าเป็นก้อนหินรูปธรรมแล้วก็นำรูปธรรมมาถไว้ เมือ า, อารมณ์ทางทางใจให้เกิดความห่วงให้มากขึ้นคือห่วงเฉพาะจิตได้แก่การกระโดดรู้ลมให้ใจเข้าออกและคำภาวนาว่าพุทโธเพิ่มความห่วงในการชักรูบรคำก็อีกโครงหนึ่งให้จิตมันอยู่เฉพาะรู้ลมให้ใจเข้าใจออกรู้คำภาวนาว่าพุทโธรู้ชักรูบารำให้ใจเข้าและวระพุธ หายใจออกเท่ากับโทชักเรืปองคำเป็นหนึ่งเม็ดเพราะให้จิตมันงานนี <c oughs> ่ว่ามีร้อยแปดเม็ดน่าจะมากกว่านั้นก็ได้น้อยกว่านั้นก็ได้จะมากก็าตามจะน้อยก็าตามเราจงตั้งมนโนบริธานไว้ว่าถ้าในขณะที่ชักเรืปองคำไม่ครบถ้วนตามที่เรากําหนดไว้ถ้าจิตใจเผลอจากการภาวนา เลยจากการรู้ลมหายใจเราออกเลยจากการชักลูกประคำเราจะเริ่มต้นใหม่การนู่เป็นจุดในการการะทาความดีของเราวันหนึ่งมียี่สิบสี่ชั่โมงการกำหนดนู้นลมหายใจเข้านึกว่าพุทธกาหนดนู่นลมหายใจออกนึกว่าโธแล้วก็ชักลูกประคำหนึ่งเม็ด เมื่อครบร้อยแปดไม่รู้สึกว่าจะเสียเวลาไมกี่นาทีถ้าเราไม่สามารถจะควบคุมอารมณ์จิตได้อย่างนี้ก็แสดงว่าจิตของเรามันเร็วมากกว่าดีการทําได้ตานนั้นก็จะเรียกว่ามีความดีไม่เท่าความเร็วถ้าดีก็ะอะไรก็ว่าวันหนึ่งมันมียี่สิบสี่ชั่วโมงเราเอาสติสมัมปชัญญะเข้าไปรู้ลงในใจเข้าหาใจออก รู้คำภาวนารู้การชักเรื่องคำกีนาที <c oughs> ซึ่งเวลานอกจากนั้น <c oughs> มนอกเหนือจาเวลาหลับถ้าจิตเราไม่สามารถจะควบคุ ม, มารมันให้อยู่ได้กี่ชั่วโมงถือว่าชั่วโมงนั้นนั้นเป็นชั่วโมงในการขาดทุนนี่เป็นวิธีหนึ่งที่จะสามารถรควบคุมกาลังใจของเราให้เป็นสมาธิคําว่าสมาธิเปลว่าการตั้งใจ <c oughs> เราตั้งใจว่าจะรู้อย่าให้ใจเข้าให้ใจออกตั้งใจว่าเราจะภาวนาวัาพุทธโธตั้งใจว่าเราจะดึงลูกประคำรอบละหนึ่งเล็คือพุทธโธพุธแล้วกโทแล้วสักหนึ่งเม็ด <c oughs> นี่เป็นคู่กันไปที่โวราณอาจารท่านไม่ยมใช้ลูกประคำความเึงพระพุทธเจ้าไม่ได้ใช้ลูกประคำ สมัยก่อนผมก็ไม่เคยใช้รูรคำสมัยนี้ก็ไม่เคยใช้ท่านี้ก็ได้เพื่อว่าก็พยานจะเอาชนะกําลังใจเป็นสำคัญเพืาะว่าตั้งเวลาไว้ถ้าเวลาเท่านี้ถ้าเราไม่สามารถจะสรอารมณ์อย่างนี้ ไ, ได้เราจะยอมตายดีกว่าท่านที่ปฏิบัติเพื่อความดีในพระพุทธศาสนา ก็มีคณนณธรรมสี่ประการประจําใจจะเป็นทางโลกก็ดีจะเป็นทางธรรมก็ดีเหมือนกัน <c oughs> แปลว่านี่เราเรียกพูดกันเรื่องพุทธศาสนาก็เลยเอาพุทธศาสนาโดยเฉพาะคุณธรรมประจําใจสี่อย่างท่านเรียกว่าอิทิบาทแปล ว, ว่าคุณเครื่องยังประโยชน์ให้สำเร็จในจิตที่เราจะคุณธรรมทุกอย่างไม่ว่าของยากหรือว่าของง่าย ของหนักเยอของเบาทั้งโลกคนดีทางธรรมคนดีถ้ามีอิทศิศสีในการประจำใจบุคคลผู้นั้นจะทำอะไรก็สำเร็จทุกอย่างอิทิบาส4ก็คือหนึ่งชั้นทะมีความพอใจในกิจที่เราคึงจะทำสองวิงริยะมีความรู้สึกกิูเสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างเต็มไปด้วยความยาก เราจะต้องใช้อารมณ์ต่อสู้กับความหน ย, ยากกับปรสคที่เพิงเกิดขึ้นไม่ท้อถอยวิตรสนใจปักไปในส่วนนั้นเลยวางไม่วางสุระถึงแม้ว่ามันจะยากลำบากดิระการใดก็ตามทีสุระประเภทนี้เราไม่วางถ้าทำไม่เสร็จก็ให้มันตายไป นี่มโนษาใช้ปัญญาไขคนพิเจรณาทุก่อนที่จะลงทำรี่ใช้ปัญญาพิเจรณาในจิตที่เราทำแล้วว่ามันถูกต้องมันดีไหมมันควรหรือไมไ่ควรดีแลือไม่ดีลาลมหรือหยาบนี่คุณทรรมเรื่องสี่ประการนี้ถ้ามีแกบุคคลใดโอ้สมเด็จพระจอมไตรริฎกศาสนาทรงกรัสว่า อผลของท่านที่ท่านละลายเพื่อประสงค์ได้สําเร็จทุกอย่างไม่มีอะไรพลาดนี่การนี้สําหรับพวกเราที่ปฏิบัติกันมาก็รู้สึ ก, กว่าดีกันหลายโอ้แล้วก็แย่แ ก, ก็หลาคนเพราะอะไรเพราะว่าศักระ บ, บวชศักระบบปฏิบัติศักรว่าฟังแต่ไม่เคยทําความดี แย่นี้ถ้าบวชเขาบอกว่าบวชอยู่ก็เสียก็เหลืองสิ ก, ก็ไปก็เปลืองพลายเราจะเปอยู่กันทำไมในขอบเขตของาศาสนาถ้าเราไม่เอาดีคำว่าสากยบทตพุทธจีนรัก็าแปลว่าเป็นโลกของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงเป็นพาาระอรหันต์องค์แรก แปลว่ากิปจประจําที่จะาต้องมีเป็นของง่ายๆเราปฏิบัติกันให้ดีไม่ได้แล้วเราจะไปไหนตอนนสุดเราก็ไปอบา่ายูมสำหรับพระนี่ไปนรกมากกว่าครวัตรเพราะว่าเป็นปูชนียบุคคลในตอนนี้เราจะทรากกันในด้านของนีนไหนว่าพระโดนรกแบบไหนทําไมถึงจะลงง่ายกว่าชาวบ้าน มีบริการหนึ่งลักษการควบคุมกำลังใจเขาใช้ธรรมชาติเป็นเครื่องช่วยนั่นก็คือสมมติว่ากา ะ, ะนั่งอยู่ในห้องพระนั่งจะในมโบสถ์นั่งอยู่ที่เสลาแล้วก็มองภาพพระลืมตาไม่ต้องหลับตา นัมองภาพพระพุทธรูปองค์นี้ท่านสวยพระพุทธรูปองค์นั้นเป็นสีแบบนั้นพระพุทธรูปองค์นี้มีลักษณะแบบนี้จิตใจจับอยู่ที่พระพุทธรูปไดความจีิงการลืมตาในควบคุมกำลังใจได้ดีกว่าการหลับตาดูเป็นนักที่ปฏิบัติฝึกกันใหม่ๆหรือว่าเราจะดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ได้จับจ้องอยู่ในสิ่งนั้นให้ใจมันอยู่เฉพาะสิ่งนั้น การควบคุมกำลังใจแบบนี้สามารถเอาความดีได้ง่ายบางทีแล้วก็น้ำใส่ขันมานั่งมองดูน้ำมองดูอใจดูเะพาน้ำจิตจับอยู่มองดูถ้าสบ า, สบายดีแล้วหลับรือหลับกานึกถึงภาพน้ำเมื่อจิตมันเลินไปแล้วก็ลืมตาขึ้นมาดูใหม่ยางนี้ก็ได้ สำหรับนักปฏิบัติเจมาฐานเดินทดลองในป่าส่วนใหญ่เขาจะเอาหินเอาต้นไม้เอาทานน้าในป่าเป็นการเจริญเรรมาฐานโดยธรรมชาติเป็นการรักษาอารมณ์นี่เราว่ากันว่าการรักษาอารมณ์อย่างแคบๆเพือให้จิตอยู่ในสภาวะที่เราต้องการที่เรียกว่าสมาธิในเมื่องแคบจริงๆหนึ่งเขาใช้ไปถึงอุปัสนาญาน แต่ตอนนี้เราจะไม่พูดกันแล้วตอนเย็นเขก็นั่งดูต้นไม้ความจริงว่าเราก็หาต้นไม้ได้ไม่ต้องไปป่าไหนไอ้ป่าลึกป่าเล็ ก, ป, ลกป่าใหญ่ป่าใกล้ป่าไลกลมันมีต้นไม้ทางนั้นดูต้นไม้หลือดูดอกของดอกต้นไม้ดูให้จิตเราจากอยู่ตรงนั้นจะภาวนาว่ายัางไงจะไม่ภ า, าวนาก็ช่าง ก็เดูใบไม้ที่มันมีความเขียวชอมให้จิตมาจับอยู่ที่ความเขียวดูต้นไม้ที่มีกิ่งก้านสาขาวสวัยให้จิตมาจับอยู่ที่นั่นบางครั้งเราก็ดูกระแสน้าไหลาจากน้ําตกที่อยู่ในฝ่าน้ําไหลไปแล้วก็โดูน้ำให้จิตมาอยู่ที่น้ํานี่จะเป็นทีหนึ่งที่สามารถจะควบคุงกําลังใจให้อยู่ได้ การใช้วิธีอย่างนี้จะใช้มันนานหรือไม่นานไม่สําคัญถ้ามันเมื่อยตามเมื่อยใจแ ล, ล้วก็เลิกเลิกแล้วก็หาอารมณ์สงบจับลมหายใจเข้าออกให้ปิดมันเป็นสุขภาวนาว่าพุโทโธก็ได้อะไรก็ได้ตามวิทยาสัยหรือว่าเราจะพิจารณาร่างกายของเราหาตามความเป็นจริงว่าโหนาร่างกายของเรานี่มันเป็นนยังไงนะ มันไม่แน่จริงๆถ้ามีพ่อพอะไรก็เราเกิดมาตั้งแต่เด็กๆแล้วต่อมาเวลานี้จะโตเป็นพ่อคนแม่คนได้แล้วเมื่อโตขึ้นมาแล้วเราไม่อยากแก่มันก็จะแก่เมื่อเราไม่อยากตายมันก็จะตายเราไม่อยากป่วยมันก็จะป่วยสียงเท่าไหลายเหล่านี้เราไม่ต้องการมันเลยแต่ได้ว่าเราก็ต้องพบกับมันอยู่ตลอดเวลา ทางนี้ก็อะไรแต่เพราะว่าเราไม่สามารถจะหนีมันได้เพราะสภาวะเช่นนี้มันเป็นปกฎธรรมดายของร่างกายคิดอย่งนี้ก็ได้เลนถ้าคิดอย่างนี้เป็นวิปันสนาญาณก็ยังอ่อนเมื่อสภาพร่างกายที่เที่ยงถ้าเราไปยึดถือมันเป็นยังไงมันก็เป็นทุกข์โลกนี้เท่าโลกเราจะหาอะไรเป็นสุข แความจริงความสุขมันมีสําหรับใจเรานี่เราคือใจเรายอมรับรับถือกฎข้อธรรมดาและความเป็นจริงเราไม่นะเืนอารมณ์นความเป็นจริงของโลกโลกเป็นจังหาความเที่ยงไม่ได้โลกเป็นทุกข์ขังถ้าเราเกาะนะถ้าเราไม่เกาะเราก็ไม่ทุกข์ทุกข์ตรงไหนเราบ้านมันจะพังเราเกลียจะไม่มีบ้านอยู่แล้วก็ทุกข์ แต่ว่าแค่ติดใจเพื่อนเรายอมรับนับถือกฎธรรมดาว่าสภาวะสมบัติของโลกทั้งหมดทั้งหมดนี้ไม่ว่าอะไรทั้งหมดมันมีความเกิดเป็นเบื้องต้นมีความเสืเ่อมไปนในธรรมกลางมีการสลายตัวเป็นในที่สุดเรื่องของมันธรรมดาของมันเป็นอย่างนี้ถ้ามันจะพังก็ช่วยมันพังยันมันไว้ไม่ได้ก็ให้มันพังไปก็หมดเรื่องหมเรา แม้แต่ร่างกายของเราก็จะต้องพังถ้าแล้วก็ฝนไม่คิดเรื่งร่างกายของเร า, าสมมติว่าร่างกายของเราจะต้องพังลงไปเวลานี้เราจะทําความรู้สึกยังไงตอนนี้ก็ต้องหาความรู้สึกว่าร่างกายของเรานี่มันแก่ไปเสมอหรือคนทขาฟันหักก็ต้องคิดว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าฟันของเราจะหัก เห็นคนก็หัวงอกก็หัวร้านก็คิดว่าสักวันหนึ่งขา้างหน้าผมกับเราไม่งอกหัก็ร้านเห็นคนก็มีสมอสายตาสั้นคือมันก็อาศัยความแก่เป็นสาคัญมองอะไรไม่ถนัดก็คิดว่าสักวันหนึ่งขา้างหน้นาสภาวะของเราจะเป็นอย่างนั้นเห็นคนก็ป่วยไข้ไม่สบายก็มีความรู้สึกไมื่จิตสเนึกว่าสักวันหนึ่งขา้างหน้าเราก็ต้องป่วยไข้ไมส่สบายอย่างนี้ เห็นคนก็ตายแล้วสัตว์ตายก็จะคิดว่าชีวิตตินซีขเรามีสภาวะอย่างนี้เป็นธรรมดาอย่างนี้เป็นวิบัตนายาณทากําลังใจว่าถ้าอาการอย่างนั้นมันปรากฏกับเราเราจะสร้างความรู้สึกแบบไหนถ้าเราจะห้ามจะปราบมันก็ไม่ได้ก็ต้องปล่อยว่าช่างมันมันจะเป็นอะไรก็ช่งางหองมัน พราว่าสภาว่าเขมันเป็นอย่างนั้นแล้วหาอารมณ์คิดอารมณ์คิดอย่างนี้ท่านอาจจะโศกเศว่ามันเป็นสมาธิหรือก็ต้องถามตัวเองดูก่อนว่าเราตั้งใจคิดอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าเราตั้งใจคิดแบบนี้มันเป็นวิปัสนา่างสมถาวิปัสนาในความจริงมันอยู่ด้วยกันไม่ได้แยกเลยแยกไปไหนี่เราพูดแยกก็แยกกับทรงเดชเพื่ความเข้าใจเท่านั้น เม <vale> hmm. ื่อหาก็่าจะพาว่าอย่างนั้นเกิดแล้วก็บอกช่างมันอาการของมันเป็นอย่างนั้นห้ามปลามันไม่ได้ไม่อยากจะเกิดนี่เก็เกิดเกิดเราใช้ความโล่เป็นปัจจัยถ้าเราได้เกิดแล้วจะมีความแก่จะมีความป่วยไข้มาสมัยมีการพัดสาจากของรักของชอบใจจะมีความตายมาจากไหนก็นี่เราเกิดมาเพื่อแก่เกิดมาเพื่อป่วยป่วเกิดมาเพื่อพัดสาจากของรักของชอบใจเกิดมาเพื่อตาย เมื่อการอย่างนี้มันมาถึงเราก็ใช้บทโทนาพิเศษว่าช่างมันแจกเป็นอะไรก็ช่างมันใครเขาจะด่าเขาจะว่าเขานินทายก็ช่างมันใครเขาจะมิ่งเสริมเย็นยอก็ช่างมันเพราะว่าการด่าการว่าการนินทายการมิ่เสริไม่ได้ทําให้เราดีหรือให้เราชั่วเราจะดีหรือเราจะชั่วมันอยู่ที่ตัวของเราเอง เป็นอนุาเรายอมรับนับถือกฎของธรรมดานี่ก็เป็นนิที่หนึ่งที่ทําใจเราสบายอารมณ์ขอเราที่จะสบายจริงๆเรืออารมณ์เป็นสุขอารมณ์ที่มันจะเป็นสุขก็คืออารมณ์สมาธิสมาธิทําใจให้เป็นสุขคําว่าสมาธิแปลว่าการตั้งใจตัง้งใจอี่ในขอบเขตของความดี นี่เป็นอันว่าวิธีการที่เราจะปฏิบัติให้จิตมีสมาธิให้มีอารมณ์ทรงตัวมีวิธีมากมายพระบิดาเจ้าทรงแจกไวทั้งสี่สิบอย่างแต่เราพอใจอย่างไหนแล้วก็ทําอย่างนั้นวเวลาเราจะอ่าอนหนังสือก็ตั้งใจอ่านตั้งใจจํานี่มันก็เป็นสมาธิทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งตั้งใจอ่านตั้งใจจํา ตังใจดูตังใจปฏิบัติตั้งใจงานให้เรียบร้อยมันก็เป็นสมาธิการพูดจะคุยกับใครเรตามคุมอารมณ์ไม่โดยเฉพาะที่เราต้องการจะพูดในเรื่องราวอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เป็นสมาธิสมาธิคือความตั้งใจและหากว่าท่ญญานจะหันเข้ามาถามว่ามันจะลงกับความดีที่พระพุทธเจ้าต้องการไหมก็ต้องตอบว่าลง เพราะว่าเราสามารถเราควบคุมกําลังใจให้อยู่ในขอบเขตที่เราต้องการได้ผลที่โอส้สมเด็จพระจอไตรยบริาาสุทธิ์สดาห์ต้องการก็คือผลิพันธ์ตัวผลิพันธ์นี้จะได้มาจากวิปัสสนาญาณอิปัสสนาญาณจะมีการทรงตัวได้เพราะอาศัยสมาธิถ้าเราไม่มีสมาธิอิปัสสนามันก็มีไม่ได้ในอันดับแรกก็ต้องฝึกกาลังใจสมาธิให้ได้ทั้งสองฝ่าย คืออารมณ์หยุดอยู่ก็สภาวะคือภาพอย่างใดอย่างหนึง่งเครืออารหรือว่าอารมณภ์ภาวนาอย่างใดอย่างหนึง่งนี่เป็นอารมณ์สมาธิส่งจิตให้หยุดปัญชาญกับสมาธิแบบแบบหนึง่งก็ได้แตใช้ปัญญาพิจารณาหาความจริงตามความเป็นจริงทุกอย่างของสภาวะในโลกหรือว่าตามสภาวะของธรรก็ตาม เมื่อจิดเราทรงอยู่ในอารมณ์มนตัวนี้ก็ไป็นอรมสมาธิทําจิตให้เป็นสุขตัวนี้สุขมากสุขดีกว่าอารมณ์ทรงตัวปกติมันใช้สมัครูบบล้ลมหายใจเขาออกแล้วทำภาวนาแต่การที่ยังควบคุมลมหายใจเขาออกแล้วภาวนานี่ทิ้งไม่ได้แน่แต่ใช้อะไรอย่อื่นก็ตามที่ไม่ได้ด้วยถ้าเราจะรู้ว่าทําไมเราจรึงจะทรงสมาธิได้ เขาบอกว่าได้ฌานสมาบัติมีสายสุขาวิปัสสโกโไม่ต้องไปพูดเรื่องนั้นสายสุขาวิปัสสโกโต้องการอย่างเดียวคืออารมณ์ดีแล้วก็มาพิจารณาว่าอารมณ์ที่เราต้องการซึ่งกำหนดรู้หรือไม่ใจเขาออกคำภาวนาว่าพุทโธหรือการชักรูะคำหรือการพิจารณาอะไรก็ตามมันก้องอยู่ในจิตของเราทุกขณะจิตเปล่า ท้าไมก่องอยู่ในจิตโองเราทุกขนาจิตโดยนอัตโนมัติว่างจากงานว่าจากการปึกษาหรือว่าจากการพูดคุยจิตจักอารมณ์อย่างนั้นทัน ท, ทีอย่ามินิชีวิตจิตเป็นชญัญตรงกับความประสงค์องค์สมเด็จสมมาสด็จพรธเจ้าและท่านพยโยคาวาจอนทั้งหลายสําหรับการแนะนํากันเพื่อการทรงตัวของอารมณ์ เพื่แก้อรารมณ์ฟุ้สซ่านก็ขอแนะนํากันเพียงเท่านี้เพราะว่าเท่านี้ก็เหลือกินเหลือใช้อยู่แล้วก็ไม่ได้ใช้กันหมดตามนี้อาศัยความฉลาดเท่านั้นที่เราสามารถจะสามารถทรอารมณ์สมาธิได้ด้วยเช่นนั้นก็ต้องอาศัยที่บาดสี่คือฉันทะความพอใจวิริยะมีความเพี ย, ยรไม่ทอดถอยรูปสัคจิตตะตั้งใจไว้วิมังสายใช้ปัญญาเป็นเคื่อพิจารณาเสียก่อนจี่จะทำ เวลาหนูจะเห็นว่าเป็นการสงคนเกิดเวลาขอบรรดาท่านหลายๆยินยามรักษาอารมใจของท่านในอธิยาบทสี่คืจะนั่งก็ได้ยิงก็ได้เดินก็ได้นอนก็ได้ตามอธิยาไซจนกว่าจะถึงความพอใจของท่านเพราะว่าการแนะนําแบบนี้ไม่จํากัดไม่จํากัดเวลาปฏิบัติท่านนี้ก็เพื่อให้บรรดาท่านพุทธบริษัททําตามความประสงค์แต่พระว่าจะลืมนะ อย่าใช้กําลังให้มันเครียดเกินไปจงกว่าที่เรียกว่าเป็นอาตาัตกระดมฐานิโยกเส้นประสาทจะเสียจะเกิดมีโรคมากเกิดขึ้นแล้วจะมาหาว่าครูบาอาจารย์ไม่แนะนําสอนถ้าต่อตรงนี้ไปกระโถขอทุกท่านปฏิบัติไม่ได้ตามอธัธยาสัยจึงกว่าจะพอเกิดกากลังใจที่ท่านต้องการ